ระโสยทาซาปิติโยวิวานตุสาปารมณ ง, งวินาสตุมาเตภาวัวันตารายโยสุกี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 ปาลังอากะโตเอปสัสนนานังอากางธรรมังวิชานะตังอากเกมุดเถปสัสนนานังดากีเนยเออนุตตรเร อ, อากเกธรมเมปสัสนนานังวิรังคุปสเมสุมสขเข อากกสังเกปะสันนานางปุญญาเกติอนุตรเรอากาสามิงนานังดาดาตังอากังปุญญาปวัตติยโสเกติสุขังบาลังอากาจดาตาเมธาวีอากาธรมมาสมาหิตโต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 าาาาาตามบาธรรมานุภาเวนัสดาโสเทพระวันตุเตภาวันตูซาพมังกาลังราคันตูซาพเดวตาตามบาสังคานุภาเวนัสดาโสเทพระวันตุเต